ท่านสาธุชนพ บ, บริษัทต่้งหลาย <c oughs> วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการฝึกทิฏฐิคุ ย, ยานต่อวันนี้แล้วโดยพูดตามแบบละวิสุทธิมรตีพระพุทธโคสาจารย์ท่านตรัสเรื่างวัจนาไว้ความจริงท่านก็พูดไว้เป็นสองหน <c oughs> ว่าตามแบบเชั้อบที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้หมายถึงว่าอาธิกรรมมีก่า บ, บุคคล คือว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพย์จุฬญจาณมาในการก่อนก็ต้องฝึกกันแบบนั้นถ้าไม่ฝึกกันแบบนั้นมันก็ไม่ได้โดยความจริงกว่าจะได้เขาแสงเข็ม้าเป็นการเริ่มต้นจริงๆกว่าจะคลําภาพไฟพบเป็นคนนานกว่าจะส่งได้มันคนนานรู้สึกว่าต้องใช้กําลังใจเข้มแข็งมาก แต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ของหนักเราไปกินเหล้าเมายาเสลําบากจริงกว่านั้นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปก่อเรื่องก่อราไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวผัวห ญ, ญิงยิงเรือไปเที่ยว บ, บามันหนักกว่านั้นมาก <c oughs> ไปทำการเมรือรวชาจาันร์ไปทำอธินาทานรักขโมยของเขาไปโกโหกมดเทสอารมณ์มันหนักกว่านี้มาก นั่นเป็นอารมณ์ของความชัว่วทําไมเราจริงทําได้ตอนนี้เรามาทําในด้านอารมณ์ของความดีก็ไม่ต้องลงทุนอะไรจะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ทํางานก็ได้อยู่ที่ไร่นาสาทองก็ได้มันอยู่ที่ไหนก็ได้เดินอยู่นั่งรถอยู่นั่งอยู่เป็นเกวียนนั่งอยู่บนหลังควายนั่งเป็นเครื่องบินนั่งอยู่ในเรือดำน้ำํานั่งในเรือรบก็ทําได้ทุกอย่าง ทุกขณนะไม่เห็นว่าแปลกไม่มีความจําเป็นไม่ต้องเลือกที่ไม่ต้องเลือกเวลาไม่ใช่ว่าเวลาที่จะสร้าง ส, สมาธิต้องไปนั่งคาร์ทามาติข้าสมาธิแต่มือซ้ายมือขวาซ่อนมือซ้ายต่างกายให้ตรงถ้ายังมีท่าอยู่แบบนี้แล้วก็นานกว่าจะได้กินดีไม่ดีชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่เลี้ก็อกาสจะได้กินเลย เพราะว่าถ้ามากเกินไปเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อความเอาจริงไม่ต้องไปห่วงท่าเราห่วงอยู่ที่อารมณ์ใจเป็นเรื่องสำคัญมีเต็ําหรับเต็นพุทธโคกศอาจารย์ท่านพูดไว้อีกในหนึ่งว่าถ้าบางคนที่เคยได้ทิพจุขาารมาในการก่อนพวกนี้เวลาปฏิบัติไม่ยาก คำว่าไม่ยากเพ อ, อะไรเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งอะไรให้มากมายนักเพียงไปเห็นแสงไฟจิตจับแสงไฟนิดหนึ่งพอใจในแสงไฟเห็นสีขาวพอใจในสีขาวเห็นแสงสว่างจิตพอใจในแสงสว่างอารมณ์เดิมมันก็เข้ารวมตัว นี่ที่นี่เรียกล่าวว่าบรารมีของเราความดีของเราที่สร้างสะสมไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการสร้างบรารมีสะสมมาถึงเสียสงขยไข่กําไรแสงกลับมันรวมตัวกันทีละน้อยละน้อยแล้วมันมก็มาดตอนนี้จะเห็นได้ ว, ว่าพระธรรมคำํำสอนข อ, องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนี้เป็นจะปรากฏจริงคือนั่นหมายความว่าถ้าบุคคลใด เคยได้ทิพยุอยู่คุยานมาในการก่อนตัวอย่างนี่มีเยอะมีเยอะเห็นแสงสว่างเห็นสีขาวเห็นแสงไฟพอใจเกิดขึ้นเป็นอั น, นได้ทิพยุอคุยานเวลานี้ที่พูดหนีก็มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายสองคนที่วีดามาันดาพามาหาอายุเจ็ดขวบทางนั้น เด็กผู้หญิงก็อายุเจ็ดปีเด็กผู้ชายก็อายุเจ็ดปีสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้คุณพ่อเป็นนักเจริญพระกรรมฐานเอานางศรีน้องพ่อปานเป็นครูเื่อก่อนที่ท่านจะนอนท่านก็ภาวนาไหว้พุทโธนั่งบบสมาธิตามสมควรนี่ลาลูกสาวท่านก่อนจะหลับท่านก็บอกลูกสาวของท่านให้ภาวนาว่าพุโทโธถึงสามคำ เธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาเธะให้เธอว่าพุทโธก็แล้วกัน <c oughs> แต่รู้สาวก็ดีเป็นเด็กดีเมื่อคุณพ่อบูชาพระเธอก็บูชาบ้างคุณพ่อกราบพระเธอก็กราบบ้างคุณพ่อบอกให้ว่าพทุทโธเธอก็ว่าพทุทโธก่อนจะหลับว่าได้ยินให้คุณพ่อดียินเสียงสาครั้งแล้วเธอก็หลับ <c oughs> จะหลับหรือไม่หลับเธอจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเด็ก สำหรับท่านพ่อก็นั่งเจริญพระกรรมฐานตามปกติมาวันหนึ่งเวลาที่ท่านพ่อให้เกนอนแกก็นอนให้แกว่าคำว่าพุโทโธสามครั้งแกก็ว่าคุณพ่อเข้าใจว่าคนลูกสาวเล็กหลับแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิแกก็ลุกขึ้นมาถามคุณพ่อว่าทำอะไร เป็นคุณพ่อบอกว่าพ่อจะเริยกรรมาฐานพ่อทำสมาธิพ่อนั่งภาวนาว่าพุทโธคุณลูกสาวก็อยากจะทำบ้างก็เริ่มทำคุณพ่อก็สอนให้พ่อนั่งแบบนี้นะลูกนะพับเพียบคนได้กระทำมาคก็ได้ได <c oughs> เวลาให้ใจเข้าลูกนึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกลูกนึกว่าโธ เพียงเท่านี้ลูกจะบ้านได้เป็นนานและไม่นานก็ ain, ตามใจอยากจะเลิกเมื่อไรก็เลิกกวามจริงท่านพ่อรู้สึกว่าเป็นคนดีมากสําหรับคุณลูกสาวนั่งอยู่สักห้านาทีคอนนอนเพราเธอนอ น, น, อ น, น, นเธอไม่ได้นอนหลับนอนคอยคุณพ่อเลิกพอคุณพ่อเลิกแล้วเธอก็ลุกมาคุยกับคุณพ่อ วันเมื่อกี้นี้นั่งภาวนาว่าพุทโธพุทโธเห็นพระท่านมาองหนึ่งท่านพาไปเที่ยวที่ไหนโตที่ไหนก็ว่าไปตามเรื่องคุณพ่อก็สงสัยคุณลูกก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกเด็กอายุห้าปีก็พยายาอ่านได้บ้างแต่ก็ไม่มีเวลามาอ่านหนังสือหลวงพ่อปานเธอพูดถูกต้องทุกอย่างถึงจุลามนีเจดีสถาน เวทย์ยันจะวิมานอะไรต่ออะไรก็ตามบางทีก็พูดในหนังสือนั้นไม่มีเธอก็พูดทีนในหนังสือนั้นไม่มีเธอพูดคุณพ่อก็ไม่รู้สึกแปลกใจมาแปลกใจที่หนังสือเธอไม่เคยอ่านแต่เคยเธอพูดถกแล้วต่อมาคุณพ่อก็พามาพะอัตมาที่วัดอาตมาก็ได้แนะนําท่านท่านพ่อบอกว่าอย่ายุ่งนักไม่ช้าจะถูกปิด เพราะว่าเธอถ้าขืนถามสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามแนวธรรมอารมณ์ก็เด็กจะเฟือเจนั้นก็ขอให้ยับยั้งการไต่ถามเสีย้เรื่องการเชื่อและไม่เชื่อไว้ในใจจะรู้สึกว่าท่านพ่อหรือท่านแม่จะเป็นท่านแม่จะไม่ค่อยเชื่อนักจะหาว่าอารมณ์เปอุปาทานก็เลยต้องทัดทานไว้ถ้าสิ่งใดถ้าไม่เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ก็ต้องปล่อยเธอไป ถ้าปรากฏว่าเด็กคนนี้อายุเพียงเจ็ดปีปกลับเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดถ้าทะเลาะเบาแวงกันเธอก็เลือกแล้วเธอก็ไปพูดให้เหตุให้ผลเหมือนผู้ใหญ่แนะนําเด็กด้วยความจริงเธอเป็นเด็กแนะนําผู้ใหญ่ก็ทำเอาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรับฟังเธอเชื่อเธอนี่จะเห็นว่าคุณธรรมที่เคยได้มาแล้วในการโกน เมื่อมาประทะเข้าเป็นแค่นิดเดียวผลก็ปรากฏทันทีเอกการสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงสำหรับเด็กผู้ชายโคูแฝดสองคนนั้นก็เช่นเดียวกันผู้ใหญ่มักจะลองเธอที่เล่นซ่อนหาเธอก็บอกว่าเล่นแบบนี้ไม่สนุกเขาถามว่าทำไมไม่สนุกบอกว่าเล่นให้ผมไลยเห็นแบบนี้จะสนุกที่ไหนเล่นให้ผมไม่เห็นบ้างดีกว่า หมดท่าผู้ใหญ่ซ่อนเท่าไรเด็กก็เห็น <c oughs> มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเด็กก็เห็นนี่แบยการหนึ่งนี่เป็นของเก่าติดตามมาแล้วก็มียอมผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีเขตนี้จะต่อกับจังหวัดสิงห์และจังหวัดเชีย น, นัดเป็นจุดสามเส้า โยมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูไฟไม่ได้เพ่งก๊าซิ่นไม่ได้เพ่งอะไรทั้งหมดท่านอาจารย์ให้พิจารณานามรูปไปเรียนกับท่านอาจารย์ให้พิจนารณารูปนามและนามรูปก็ตามแต่ความจริงไม่ได้ผิดอะไรทั้งก็สอนถูกจะไปหาว่าถ้าทำอะไรเข้าใช้ภา ว, ภาวะก็ว่าใช้สิ่งที่เก่ามามันไม่เหมือนกันแล้วก็ของคนนั้นผิดของคนนี้ผิด อันนี้เห็นจะต้องเป็นคนพูดผิดจะผิดได้ยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับอารมณ์ใจเป็นสําคัญไม่ใช่เรื่องของวาจาที่กล่าวมาเป็นสําคัญอาจารย์ก็สอนเรื่องรูปนามรูปนามนา ม, นามรูปท่านสอนก็ว่ายังไงมันก็ไม่ทราบเพราแต่มาไม่ได้ใส่ไม่ได้ไล่เลียง แต่ว่าคุณโยมเท่าพูนนีเวลาหลับตาลงไปเห็นภาพพระพุทธรูปแจ่มใสซะทุกวันไปปรึกษาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกวา่าเอนั่นเห็นแยกเป็นภาพเผื่อแล้วจะเป็นอิมิ่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษไม่ตรงกับความมุ่งหมายในวิปัสสน า, าน่าณละรูปนาม แต่เราว่าคนยมเท่าพูดนี้เวลาภาวนาว่ารูปนามทีไรคิดถึงรูปนามทีไรรูปพระก็ปรากฏขึ้นทุกวันแทนที่อย่างอื่นจงทั้งเป็นภาพติดใจยอยู่ตลอดเวลาภาพพระพุทธรูปยิ่งแจ่มใสขึ้นทุกวันยิ่งมีความผ่องใสสวยสดสวงามไปที่ชื่นจตาชื่นใจใครจะทัดทานยังไงว่าภาพนี้จงอย่าติดเพราเป็นนิมิตหลอนแก้ก็ไม่เชื่อจึเชื่อภาพก็ไม่ไป ในที่สุดสามเดือนผ่านไปเวลาการออกปรรษาก็กลับบ้านก็ไมาเจอบพระอาจารย์เด็กๆบทพึงพรรษาส็จเศษไม่รู้าหารหรือท่านแต่ความจริงพระอาจารย์องค์นั้นก็ทันทือว่าเอาตำรับตำรามาช่วยกันสอนบรรดาญาติโยมพษษุตบริษัทไม่ได้ตั้งตนเป็นอาจารย์ แต่ได้ว่าใครก็มาถามก็บอกว่าตําราว่าอย่างนี้พระองค์นั้นว่าอย่างนั้นพระองค์นี้ว่าอย่างนี้อันนี้ของท่านไม่ผิดแบบนี้ในหนั ง, งสือเขากล่าวว่าพระพุทธเจ้าถึงจัดว่าอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดนี่พอมาหาพระองค์นั้นมาถามว่าเออฉันท่านอาจารย์ให้พิจารณารูปนามเนี่ยมันไม่ไปสักที ไปไปไมมาก็นั่งไปนั่งเจอไปนั่งพบเอาพระพุทธรูปเข้าทุกทีจะทำยังไงท่งานพระอาจารย์องค์นั่นก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมเป็นการทดลองการอาตมาก็ยังไม่ได้อะไรก็เป็นผู้ฝึกใหม่เหมือนกันที่มนแนะนำกระญาติโยมพุทธบริษัทที่มารักษาบูรสด ก็แนะนํากันตามตาราแต่ว่าตามตาราเราได้ยินมาจากทางสถา น, นีวิทยุกระจายเสียงที่พระท่านพูดท่านบอกว่าภาพที่ปลายกดเป็นรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้จัดเป็นพุทธา น, นุสติกรรมฐานให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธตรงไปเลยทีเดียวคุณโยอมพูดเท่าก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธจาบภาพพระเท่านี้ภาพพระเริ่มแจ่มใสมาก อมาใครพูดปรารบกันถึงเรื่องอะไรในแดนไกลแสไงไกลภาพอันนั้นปลากดกับคุณยายที่คุณยมคุเท่าเสมอถ้าก็ปลารบเรื่องบุคคลที่มีชีวิตอยู่ด ก, ก็นั่งฟังอยู่ด้วยถ้าถามว่าคนนั้นเขารูปร่างอย่างนั้นใช่ไหมคุณนี้รูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงถ้าก็ปลารบกันถึงคนตาย พยโยมก็ถามว่าก่อนจะตายเนี่ยคนนี้เขามีอาการอย่างนี้ใช่ไหมขณะที่ยิงยังดีๆอยู่มีปฏิปทาแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงในระรรรดายญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงท่านนักปฏิบัติทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปัจจัยเดิมที่มีมาอยู่ก่อน ที่พระพุทธโคษาจารย์กล่าวว่าถ้าเคยได้ทิดอยู่คุยานมาในชาติก่อนชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รวบรงมกำลังใจเป็นสมาธินิดหนึง่งของเก่าเดิมก็จะเข้ามาถึงตัวก็เช่นกับเด็กเต็มสามคนกับคุณยายผู้เฒ่านิดหนึง่งที่ได้ว่าของเก่าแล้ น, นี้เราก็มานั่งคุยกันต่อไป ว่าการเจริญเพื่อพุทธิประโยน์คุยานะจำเป็นไหมว่าต้องใช้กับสินสต่างๆไปกันความจริงแบบปฏิบัติในการเจริญพทธิประโยชคุยานนี่มีมากไม่ถือว่าจําเป็นเส ม, มอไปถ้าตะ ม, มาจะบอกว่าจะใช้อารมณ์สมาธติตอนไหนก็ได้มันก็จะผิดเพราะมันอาจจะได้แต่เฉพาะคนที่เคยได้มาในใช่ก่อน เป็นอันว่าในตอนนี้ก็เชื่อในวิสุทธิมรรคไว้ก่อนเมื่อถ้าต้องการเจริญที่ปิยคุยายานก็เพ่งไปเพ่งสีขาวเพ่งแสงสว่างนี้ตามแบบฉบับอีกในหนึ่งท่านไม่ใช้อารมณ์เพ่งท่านใช้อารมณ์กระทบจิตเฉยๆตามแบบฉ บ, บับตามตำราท่านเรียกว่าไม่ขจิต มีในหนึ่งคือว่าเมฆดันเมฆดันเนี่ยาตมาไปอ่านแล้วพัานในที่ว่าเมฆดันก็ได้แก่อโลเกสินนั่นเองแต่ใช้ชื่อไปเรียกเมฆดันเขาเลยทะเลาะ ก, กันนาทีกว่านี้ไปดูแล้วท่านบอกว่ามีอะไรตัวอะไรบูชาอย่างละเจ็ดหมดแล้วก็เพ่งภาพอันใดแสงสว่างข้างหน้าตวนาบาอโลกสินัง แล้วแอบไปชื่อว่าเมฆดันอันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาพญาโยคาวจรทุกท่านถ้าเวลาท่านอ่านตำราแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อย <c oughs> ชื่อเก่าวเขาดีๆเรียกว่าอโลกรสินกระสินแสงสว่างตำราจะบับนั่นท่านบอกว่าเมฆดันก็กลายเป็นคนยกเมฆกลายเป็นตำราแบบอื่นไป นี่เรื่องการตั้งชื่อตั้งเสียงนะ่ามีความสําคัญมากมันก็ยากอยู่เหมือนกันเมฆดั่นก็คืออโลคสินนี่อันอันที่จะกล่าวเมื่อกี้นี้เป็นเมฆจิตท่านภาวนาว่าพุทธังเมฆานิมิตจิตตังมา อ, อาโอทำมังเมฆคานิมิตจิตตังโ อ, อมะสังคังเมฆานิมิตจิตตัง อ, อมามะโก อันนี้จะเรียกว่าเมฆจิตแล้วฟังคำภาวนาดูก็แล้วกันเมฆหรือไม่ใช่เมฆความจริงคำภาวนาว่าหาคำภาวนานั้นหาเมฆไม่ได้เลยพระพุทธ เ, เจ้าท่านมีรมแจ่มใสแล้วไม่มีอะไรเป็นเมฆขมาบางังหาเมฆที่ไหนมาบังพระองค์ก็ไม่ได้เพราะทำที่องค์สมเด็จไตรจอมใจ ร, รวบรวมเข้ามาก็เป็นธรรมเมเสด็จมีสภาพแจ่มใส ไม่มีเมธที่ไหนจะมาบางังสังฆังคือพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรรมวิเศษเป็นอรหันต์ไปแล้วก <c oughs> <c oughs> ็มีอารมณ์จิตใจผ่องใสเหมือนกับแก้วประกายเพชรไม่มีเมฆมามบางังแต่ว่าทําไมตรรราไปเรียกว่าเมฆขจิตดูแต่ว่ากันตามจียงแล้วบทนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกรรมฐ า, านรวม รวมพระพุทธเจ้ารวมพระธรรมรวมพระสงฆ์มะอาอุออมะอามะ อ, าอุหมายความไม่ยังไงอาจาไม่ทราบไม่ขอตีความหมายเป็นทัศนาการแถมของอาจารย์แต่ก็ดีเหมือนกันอันนี้ท่านไม่ใช่อะไรท่านใช้คำภาวนายอย่างเดียว ให้จิตทรงตัวว่าพุทธังม่เคิมิตจิตตังมาอุทมังไม่เคิมิตจิตตังอุอะมะสังคั ง, งม่เคิมิตจิตตังอะมะอุปห้ภาว น, นาเป็นปกติในตอนต้นท่านไม่จับภาพนิมิตใดๆทั้งหมดเพื่อว่าไปตามสบายว่าไปตามนี้คาถาบทนี้ ให้ส่งจิตอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามอระการจิตส่งตัวอยู่ไม่ต้องหานิมิตไม่ต้องหาเครื่องหมาย <c oughs> มีคนเอาไปใช้กันมากมายปรากฏว่าเป็นของดีมากกระทบอารมณ์ได้โดยฉับพลันรู้ทันทีทันใดดีไม่ดีรู้ก็ต้องหวยเลขลอตเตอรี่เนี่ยรู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่มีใครเขาบอก คนนี้ได้มาจากกำลังชาญสมาบัติได้จากความดีนี่เขาไม่มีจิตใจจะไปพ้นใครแต่ความจริงการรู้อย่างนี้ถ้ารู้จริงๆริงแต่คนดีแล้วเขาก็ขอผ่านเลยไม่ขอรู้ต่อไปเพาไม่เกิดประโยชน์บางทีถึงกัทายไฟฟ้าที่อยู่ที่ไหนของใต้รวมผ่าทายถูกต้องหมด ทายถูกต้องกระทั่งลมให้ใจเข้าออกและโรคภายในกายทายถูกหมดโรคว่าโรคอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนี่เป็นอันว่าที่ประโยุคุยานนี่วิธีที่จะฝึกเข้าถึงได้หลายทางหลายสายไม่ใช่แต่เฉพาะสองสารสายตาลีกล่าวมานี่เป็นการแนะนำกัน ประได้ยหาว่าถ้าไม่มีไฟไม่มีสีขาไม่มีแสงสว่างจะทำยังไงก็เป็นอันว่ารักษากำลังใจให้เป็นสมาธิยาวแบบไหนก็ได้นี่ก็อาตมา ต, ต้องขอตอบว่าเอาแบบไหนก็ได้แต่ให้มันจริงจังสักแบบหนึ่งถ้าจิตของเราเป็นสมาธิเข้าถึงจุดจริงจริงถึงไม่ต้องการทิศยุกยานมันแค่เกิดทิศหยุกยานก็เกิด ยังไงยังไงก็ต้องเกิดแน่เหมือนกับคนเราเดินทางไปหาทะเลเดินทางไปสายนั้นมันต้องลงทะเลแต่จิตเนื้อแท้ของท่านผู้เดินทางไม่ได้มีความประสงค์ว่าจะไปพบทะเลแล้วก็ไม่เคยรู้จักเลยว่าทะเลมันเป็นยังไงมันเดินมาเดินไปเดินไม่เลี้ยวเดินไม่หยุดไม่ยับยั้งในการเดินในเมื่อเหนื่อยเมื่อเล่า ม, มากก็หยุดทั้งชั่วคราว มันหายเลยแล้วก็วิ่งต่อไปเดินต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้นั้นก็เลยถึงทะเลโดยไม่ตั้งใจข้อนี้อุปมาชั้นใดท่าะให้อาตมาวินิจฉัยก็ต้องขอวินิจฉัยว่าการเจริญที่เป็นจุฬยานขึ้นอยู่แก่กำลังสมาธิของจิต เพราะว่าคนที่ได้ทิยพยคุยานที่ไม่เคยผ่านการสินสามมาเลยนี่มากมายเหลือเกินภาว น, นาว่าพุโทโธธรโมสังโฆก็มีทิยพยคุยานแล้วก็มีหลายท่านอัตถาพระบาเจกพพุทธเจ้าคือขึ้นต้นว่าวิระเทโยวิระโคนาย่างเป็นตน้นอาไปภาว น, นาเพื่อความอยู่เป็นสุขพราะว่าท่านกล่าวว่าคาถาบทนี้มีลาภมาก ใครที่ภาวนาเว้นแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีลาบเสการะมากถ้าทําจิตเป็นสมาธิสมาธิสูงเท่าไรมากลาบมากเท่านั้นคําว่าลาบหรือว่าคำว่ารวยเป็นเครื่องจูงใจ <c oughs> เป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายผู้นั้นก็มีความขยันหมั่นเพียร <c oughs> และผลก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงถ้าสมาธิสูงขึ้น <c oughs> การทำอาหารได้การรับสการะมันก็มากขึ้นจริงๆมากน่าเข้าก็มีหลายท่านเลยกันจิตของท่านวันั้นก็เข้าถึงทิศจกุญยานสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ตามที่ตนสาัสถนานี่แหบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าการฝึกทิศจุกยานนี้เจ้าว่ากันตามแบบจริงๆก็ได้ แล้วได้ว่าไม่ได้ตั้งใจแค่เป็นทิฏฐกุยานถ้าจิตมันเข้าถึงจริงๆมันก็ต้องเป็นทิเบตุยานเหมือนกันก็เหมือนกับคนที่เดินทางไปทางสายของทะเลแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปทะเลแต่เมื่อเดินถึงที่สุดมันก็ไปทางสายนั้นมันตรงทะเลเนี่ยเมื่อเดินไม่หยุดมันก็ชนทะเลเข้าข้อนี้มีประมาณชั้นใด แม้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททงหลายที่ปฏิบัติไปไม่ได้ตั้งใจปรารถนาจะได้ทิพย์ยุญยานแต่ได้ว่าในที่สุดมันก็ต้องได้เพราะอะไรเพราะกําลังใจเข้าถึงท่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็เห็นว่าหมดเส้นแล้วก็เลยข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดี ามไดที่องค์สมเด็จพระชินทร์สีบรมศาสตร์ ส, สันดาสมารสพระพุทธเจา้าสมบรุแล้ลวพบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านจงได้รับผล น, นั้นตามที่องค์สมเด็จพระพู้มีพระพุทเจ้าสมบูรณ์แล้ลวนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี